ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรของเราเนี่ยและก็คณะสธา ญ, ญาติโยมฝ่ายพระสงฆ์ด้วยทอดผ้าป่าเพื่อสร้างตึกสงอาพาธหรือว่าตึกสิบชั้นขององค์หลวงตานี่นะที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้กำลังขึ้นชั้นสามแล้วนะเร็วดูแปลนเมื่อวานนีบริษัทอิตาเลียนเนะ่เป็นผู้รับเหมาเซ็นสัญญากันเมื่อเดือนกุมภาเบสามล้านมัง้ง เฉพาะตัวอาคารแต่เมื่อวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็บอกว่าถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณ260ล้าน264ล้านอะไรเนี่ยนะท่านรวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ทุกอย่างแต่ก็ลดได้ท่านว่าน ะ, ะมว่าณลดได้ก็คือเครื่องมือแพทย์เนี่ยกะไว้สูงประมาณ30มล้านเ่นะเวิร์คล้ายๆว่าจะเอาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นจา เ, เป็นใส่เต็มที่เข้าไปเลยเนั้นเถะ แต่ถ้าว่าเงินไม่พอก็พร้อมที่จะลดได้แต่ถ้าวันมันมีก็จะเอาเต็มตามที่ให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนในหกจังหวัดทางอีสานเหนือนี้เหมืงนั้นที่ท่านผู้วา่าท่านพูดเมื่อวานนี้ก็เป็นอันว่าเดี๋ยวนี้เงินของเราที่หาได้เนะี่ยก็ร้อยยี่สิบกว่าล้านแล้วนะทั้งรวมทั้งเมื่อวานนี้ด้วยนะแต่ลงพ่อก็เนี่ยเมื่อวานนี้ได้ ผ้าปลาได้เงินสดได้สองล้านกว่าแล้วก็เงินเป็นเช็คที่ถวายหกล้านกว่ารวมแล้วเป็นแดล้านกว่าแต่ลวงพ่อก็เลยบอกในที่ประชุมว่าลวงพ่อก็ได้สมทบตึกสงหลังนี้แต่ลวงพ่อได้โอนจ่ายโอนจ่ายบริษัทอิตาเลียนไทยคืองวดงานมันมีอยู่สิบแปดงวดแต่ไปจ่ายไปแล้วงวดแรก 27ล้านกว่าหมวดแรกนะคือหมวดหนักคล้ายๆคำว่าเมื่อเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วตามกฎหมายแล้ว่าตามกฎธรรมเนียมของเขาเขาต้องพอเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาประจำที่ที่จะทำงานแล้วก็เบิกเงินก้อนแรกเพื่อจะเอาทุนก้อนนั้นนะมาประมาณลงทุนในการใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การกอร่อสร้าง 27็ล้านก็เบิกไปแล้วงวดที่สองนี่สองล้านกว่าเบาเลนี่พองวดที่สามนี่เขาก็ขอเบอิกอีกเป็นเงินสี่ล้านกว่าแต่พอหักภาษีส5หเปซต์หักแวดออกไปแล้วยังเหลือเงินอยู่สล้านแปดแสนสองหมื่นกว่าบาทนะหลวงพ่อก็เลยบอกเออครับบอกกับคณะกรรมการว่าคนนั้นก็จองห้องพิเศษหนึ่งพิเศษสอง แล้วก็จองเตียงแต่หลวงพ่อนี่จะสร้างอาคารมาจะจ่ายงวดเลยป่ะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยบอกกับคณะกรรมการว่าคณะกรรมการวัดป่านาคําน้อยเนี่ยนี่หลวงพ่อจะอ่านให้ฟังนะคณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมวัดป่านาคําน้อยตําบลบ้านก้องอําเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีได้ถวายเงินโอนจ่ายงวดงานที่สามแทนองค์หลวงตาตึกสงอาพาธ โรงพยาบาลสูตรอุดรธานีอาคาร96ปีหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนวันที่5สิงหาคม2552ค่าก่อสร้างงวดงานที่3หัก 15% ไม่รวมแบด็ดและหักค่าภาษีแล้วโอนจ่ายเป็นเช็คเงินสดแคชเชียร์เช็คจ่ายในานามบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลบเมน์มหาชนจำกัด รวมจ่ายงวดที่สามนี้เป็นเงินสามล้านแปดแสสองสิบาทวงเล็บสามล้านแปสสองสสี่สิบบาททวนขอให้คณะพวกเราทุกทุกท่านอนุโมทนาทานโดยพร้อมเพียงกันเทินเนี่ยแหละหลวงพ่อได้จ่ายเป็นงวดงาน หลวงพ่อก็บอกเออพี่น้องชาวดอนน่าจะรวมกลุ่มจ่ายแทนหลวงตางวดที่สี่งวดที่ห้าไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อประเดิมแล้วจ่ายงวดที่สามแทนหลวงตาแล้วหลวงตาสั่งก๋วยเตี๋ยวหลวงพ่อเป็นผู้จ่ายเงินเ <c oughs> มื่อวานนึ่ก็ได้เรียนให้คณะสัตยาญาติโยมมาจ่ายเมื่อวันที่ห้านี่ย่วานเนี่ยจ่ายเป็นเรียบร้อยแล้วมอบให้ทางคณะกรรมการจ่ายบริษัทอิสรเรียนไทย แต่งานของเขาก็ไปได้ดีนะแล้วก็เมื่อวานพอเสร็จจากนั้นมาหลวงพ่อก็ได้มากราบศพหลวงปู่อ่อนสาหลวงปู่อ่อนสามารณาภาพอ่อนกว่าหลวงตามหาบัวหนึ่งปีนะท่านก็ป่วยมานานท่านมารณะภาพเมื่อวันที่หกเดี๋ยวนี้ศพของท่านก็ไว้อยู่คิดว่าวันที่ห้ากันยามะจะเป็นวันประชุมเพลิงที่วัดของท่านนะ่ะวัดหนองใหญ่ในะกล้ๆอุดรนั่นอนะ เมื่อวานพาอกลับสดเสร็จแล้วหลวงพ่อก็กลับมาวัดมาถึงวัดก็คำ่ำนั่นแหละทุระพาละของหลวงพ่อแต่ละวีละวันรู้สึกว่ามันหนักหนาขึ้นไปเรื่อยเเหมือนกันนั่นแต่สิ่งไม่พึงไม่ต้องการก็ต้องจำเป็นได้รับเพราะงั้นจัะอย่างสกลนครหลวงพ่อก็จะไม่ไปแล้วไปมอบอคารเรียนแตท่ท่านองค์ขมวันตีท่านอาจารย์ต้องมา แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็รู้จักกับท่านตั้งแต่อายุพระน้อยนะะ่ะปีสองพันหงั้อเออนั้นท่านมาเข้ามาวัดป่าบันตาดสมัยท่านท่านเป็นรองผู้ว่าการรถไฟต่อมาท่านก็ได้เป็นรัฐมนตรีค ม, มนาคมต่อมาก็ได้เป็นองค์ขมนตรีจากนั้นก็โอหน้าที่การงานของท่านมากมายสรุปแล้วก็คือท่านเป็นคนดีนะ เป็นคนดีจริงๆคนซื่อสัตย์สุดจิต ด, ดูแลแม่แม่ของท่านก็อายุเป็นร้อยปีแล้วนะเดี๋ยวนี้ท่านดูแลแม่ดีมากผู้ที่มีจิตใจอ่อนน้อมรู้จักพระคุณเนะจริญพูดพูดได้ไง่ายๆพูดอย่างนั้นได้เจริญถ้าผู้ใดก็ตามไม่รู้จักบุญคุณของใครจะเจริญ ง, งอกเงยขึ้นไปได้ยากเว้นเสียแต่ บ, บุญเก่าเกื้อกูลหนุนเหมือนกันถ้าเขามีบุญเก่าเกื้อกูลหนุนเออนั่นก็ไปได้อยู่ ไปมันก็หมดเหมือนกันนะพอมันเหมือนกับเราทําไร่ทํานาหรือว่าเราทําบริษัทห้างร้านอะไรก็ตามเก็บเงินไว้ในธนาคารพอใช้ไปใช้ปั๊มมันก็หมดเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันบุญกุศลของพวกเราถ้าว่าไม่ทําต่อไม่สร้างต่อไม่สะสมต่อมันหมดได้ในครั้งพุทธกาลตัพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างมากมายในพระไตรปิฎกอย่างพรามณ์ประกาศให้คนทําบุญ ตัวเองไม่ทำแต่ประกาศให้คนอื่นทำตัวเองไม่เสียสละจากนั้นคนก็ทำบุญพระประเจกพุทธเจ้าพรามคนนั้นเกิดมาได้เจ็ดชาติบุญอนิสงส์ที่ประกาศให้คนทำบุญรวยบางั้นแตรวยแต่กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำเองประกาศให้คนอื่นทำเวลาจะกินจะใช้ทั้งที่ตัวเองเป็นมหาเศรษฐีล่ารวยเงินทั้งแปดสิบโกดไม่กล้าใช้เพราะเหตุไร เพราะมันกลัวจะขาดชาใช้ไปนี่มก็ขาดหัวร้อยขาดหัวพันขาดหัวหมื่นขาดหัวแสนขาดหัวล้านเหมือนกันเถอะขาดหัวโกดเหมือนกันเถอะก็เลยไม่กล้าใช้เก็บไว้อย่างงั้นแต่ไมีได้เก็บลูกเดียวเอยใช้ของอะไรก็ใช้แบบปอนๆลองเท้าก็ใช้ที่มันชํารุดแลนะ้วน่ะเอามาใช้ถ้าของดีมันใช้ทําไมเออเอาไปขายซะเอาเงินเก็บไว้เสื้อผ้าของเหมือนกันใช้ของที่ชํารุด ใช้ทำไมาของดีใช้ของดีเท่านั้นละ่ะเอาไปขายของดีเอาเงินมาเก็บนี่ถ้าเก็บเงินแต่ไม่ใช่พอตายไปแล้วพญาปเสนไปนขนสมบัติของเศรษฐีมาเก็บไว้ในคลังหลวงเพราะไม่มีญาติอีกต่างหากพระเจ้าปเสนที่ขุนศรไปกราบพระพุทธยาวพระองค์บอกว่ามหาภพิษไปไหนไม่เห็นตั้งเจ็ดวันพระเจ้าปเสนบอกว่า ผมไปนขนสมบัติของเศรษฐีมาเก็บไว้ในคลังหลวงพระเจ้าขา่าเพราะเศรษฐีนั้นตายไปแล้วไม่มีทายาทไม่มีใครทายาทเพระเศรษฐีขีดตะีทีเนียวเนี่ยนะไม่ยอมให้ใครเป็นทายาทถ้าใครว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานไล่เติร์เปิดเปิงอะไรเงีเ้ะจนเข็ดจนหลาบจนไม่มีใครกล้าเป็นลูกหลานญาติพี่น้องเลยแบบนั้นเถอะผลในสุดพอตายไปพระเจ้าประเสริฐประกาศและประกาศอีกหาทายาทก็ไม่มีพระเจ้าประเสริฐก็เลย ยึดรัพย์เหล่านั้นเป็นสมบัติของแผ่นดินไปพอขนได้เจ็ดวันมันจึงเสร็จแต่ทุกวันนี้ถ้าว่ามีรถจิบล้อก็คงจะไม่ขนนานขนาดนั้นหรอกอันนี้ขนเกวียนมันก็คงจะใช้เวลานานพอสิขนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าพราหมณ์คนนี้แต่ก่อนเขาเป็นโปรโหิทธเป็นองค์ขมนตรีเดินจะขึ้นไปในวังเห็นพระประเจกบินทาบาทไม่มีใครใส่บาทเขาก็เลยประกาศาเอ้ยใส่บาดพระประเจกี่ คนทั้งหลายกรลุมใส่บาตรพราะประเจกเพราะท่านองค์ข้ามณฑรีเป็นผู้ประกาศคนทั้งหลายกระใสบาตรแต่ในใจขององค์ข้ามณฑรีเนี่ยตําหนิโอ้ยสัมมณะกินไปแล้วก็ไปหานอนตีพุงอยู่ในป่านะไม่ได้ช่วยประเทศชาติบ้านเมืองอะไรนั่นแหละพอท่ง น, นก็นเดินขึ้นไปแต่อันนี้สงของเขาก็มีนะพอออกตายจากชาตินั้นไปเขาก็ได้มาเกิดเป็นเศรษฐีเพราะว่า บอกกล่าวให้คนทำบุญแต่ใช้ไม่ได้กินไม่ได้อย่างที่ว่าเพราะตัวเองไม่ได้ทำเองรวยอยู่นั้นเจดชา ต, ติต่อเนื่องกันพอชาตินี้พระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์บอกว่า อ, อมหาบุพ พ, พิตรพญาปเสณเศรษฐีคนนี้หมดบุญแล้วนะหมดกรรมแล้วต่อไปนี้ไปเขาก็ตกทุกข์ได้ยากใช้กรรมของเขาตามอัตภาพที่เขาได้ทำไว้แต่พบก่อนชาติก่อนแต่อั น, นิสง์ ที่ได้ประกาศให้ทำบาตทาบุญกับพร ะ, ประเปโจกพวะพุทธเจ้านั้นหมดเพียงแค่นี้ได้เจ็ดชาติเนั้นนี่แหละแปลว่าบุญที่พวกเราทำเนี่ยมันหมดเป็นเหมือนกันถ้าเราไม่ทำต่อเพราะนั้นการสั่งสมบุญติดต่อไปเรื่อยๆนำสุขมาให้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเกิดมาพบใดชาติใดพระองค์ก็ทำบุญทำทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาไปเรื่อย บุญต่อบุญถ้าใครทําบาปกับบาปต่อบาปเพรางั้นแต่ถ้าใครทําบุญกับบุญต่อบุญเนี่ยพอกพูนขึ้นเรื่อยๆแต่อันไหนที่ทําหนักเนีได้ทํากับพระประเจกพุทธเจ้าได้ทํากับพระอรหันต์ได้ทํากับพระพุทธเจ้าได้ทากับพระออกจากนิโรธสมาบัติบุญกุศลคราวนั้นก็ใกล้เข้าวัดถูกหัวยแจ็คพอตเพราะงั้นแต่รวยส่งไปได้นานได้ไกลแต่ถ้าว่า ทำบุญธรรมดาก็เกิดส่งบุญไปในช่วงระยะหนึ่ง ใ, ใกล้ๆแต่ถึงยังไงก็ต่อพุทธิยถาว่าไม่ควรประมาทในการสร้างบุญสร้างกุศลการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาแต่ตามให้จริงที่พูดทางนี้ทั้งนั้นที่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําท่านก็ไม่ใช่ว่าจะให้ทําบุญทําทานควักกระเป๋าอย่างเดียวจนตัวเองจะไม่มีอยู่ไม่กินไม่ใช่เมื่อเรามีอยู่ไม่กินเราก็ทําบุญทําทาน ทํามันร่อยหลอลงไปแล้วไม่ไหวเราก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนารักษาศินล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเนี่ยปฏิบัติพ่อแม่ไปตักน้ําตักทายพ่อแม่อาบพ่อแม่กินซักเสื้อผ้าให้พ่อแม่ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศ ล, ล, ล, ศลถ้าใจของเราเป็นกุศลแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจกับอะไรเลยคิดว่าทําไปแล้วก็ทําไปอย่างงั้นละ่ะบุญกุศลไม่มีหรอกตายแล้วศูนย์ นรกสวรรค์ไม่มีถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วแปลว่าปิดหูปิดตาตนเองในหลักของพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าท่านดูแล้วท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วอย่างที่ท่านพูดว่าพราหมณ์คนนี้นะ่ะที่เขารวยมาเพราะอะไรสาเหตุอะไรและเขาหมดแล้วนะหมดบุญนล้นะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนจตหายาตดยมลูกหลานทุกคนเนอะช่วยกัน ผู้ใดพอจะมีกําลังพอจะทําบุญทําทานมันไม่หมดหรอกอย่างหลวงพ่อพูดเมื่อวานหลวงพ่อบอกเออเนี่ยเรามาคราวนี้ก็ทําบุญนะไปที่วัดของคุณแม่ชีแก้วก็เอาเอ า, เอาอาหารค่าอาหารให้คุณแม่เน้อคุณแม่ทั้ง18คนแม่ชีให้เป็นค่าอาหารส่วนกลางสามหมื่นแล้วก็ให้แม่ชีอีกคนละพันเน้อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อผู้ปฏิบัติธรรม อจากนั้นก็มาเมื่อวานก่องานของหลวงตาเนี่ยบอกว่ารถที่รับส่งคนนะ่ะในงานนั่นนะไม่พอจะเอาเท่าไหร่เพียงสิบคันโอ้ยไม่พอสิบคันอย่างน้อยตั้งสี่ห้าสิบพันเอาหลวงพ่อออกประเดิมอีกหลวงพ่อก็เลยประกาศมอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวานอีกสองหมืนห้าเป็นค่าน้ํามันสําหรับค่าสองแถวอรับครูบาอาจารย์รับศรัทธาญาติโยม บนเวียนเข้าไปเพราะเข้าไปจอดรถไม่ได้มันใกล้มันคนมันมากต้องอยู่จอดอยู่ไกลๆเลยกับขึ้นรถสองแถวไปลงแล้วกัพวกบนเวียนอ่ยแล้วกันั่งรถสองแถวกลับมาขึ้นรถตัวเองเนี่ยลักษณะอย่างนั้นอ่ะคือเขาจะทําอย่างนั้นวันที่สิบสองสิงหาเนเพราะคนมันจะมากฮะหลวงพ่อก็ได้ร่วมสมทบไปหลวงพอ่อเหมือนนะที่หลวงพ่อทําบุญไปเนี่ยเนี่ยสมทบไปได้มากนเนี่ยศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลาน ทำบุญกับหลวงพ่อคนละนิดคนละหน่อยตรงหลว ง, งพ่อคิดดูดีแล้วว่าจะทําจุดไหนให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเอหลวงพ่อก็ลงทุนไปเอแตัวนี้ตรงพ่อบอกไปแล้วนะั่นแหะไอ้เอาเงินก้อนนี่แหละมันจะไปบอกหมู่บอกเพื่อนมันนะถ้าคนได้มาเท่าไหร่กักเอาไว้หมดมันไม่มีหมูมีเพื่อนเอาเงินก้อนนะั่นมันอยู่มันต่อไปมันก็แห้งลงแห้งลงนะอพอมันไม่ได้ออกไปหาหมูหาเพื่อนมัน แต่เราปล่อยออกไปมันจะไปบอกหมูบอกเพื่อนเดี๋ยวมันก็ชวนหมู่ชวนเพื่อนมาหาหลวงพ่ออยหลวงพ่อว่านะหลวงตาท่านว่าอย่างนั้นนะหลวงตาท่านบอกว่าเปิดกว้างก็ออกกว้างเนี่ถ้าเปิดแคบมันก็ออกแคบเนีน้ำเนี่ยประตูน้ําถ้าเปิดกว้างมันก็ออกกว้างมันก็เข้ามากเข้ามากออกมากอ่างนั้นเอี่ยถ้าเปิดแคบมันก็เข้าแคบมันก็ออกแคบถ้าปิดจะเลย ไม่ให้เข้ามาให้ออกมันมีแต่งวดแห้งลงไป เ, เ, เไปรือ่อยๆไปทั้งหมดเหนคั้นว่านะนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันการทําบุญทําทางคือการถ่ายเทมันหมดไม่เป็นหรอกถ้ารู้จักถ้าใช้ปัญญานะถ้าใช้ปัญญาในการทําบุญแล้วหมดไม่เป็นถ้าว่าพวกเราทําแบบไม่คิดไม่อ่านทําแบบไม่ใช้ปัญญาอันนั้นแปลว่าหมดเป็นเพรา ะ, ะนั้นการทําบุญสร้างบุญกระถ่งใช้ปัญญาอีกเหมือนกันเนทะ่านั้ หวานพืชที่ไหนมันจึงจะเกิดบุญกุศลกาทำอย่างไรมันจึงเกิดบุญกุศลพวกเราก็ต้องได้คิดอย่างที่หลวงพ่อพาพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยลงทุนที่โรงพยาบาลหลวงพ่อคิดดีแล้วว่าโรงพยาบาลเป็นบุ ญ, เ ป, บญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะเหตุไรเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยพวกเราก็จะได้สร้างตึกนีรองรับเพื่อรักษาสุขภาพของท่าน พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเป็นพระบาลีไว้ว่าผู้ใดอยากปฏิบัติเราตถาคตอุปถัมภะถาเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุไข่ท่านก็พูดไว้อย่างนั้นก็เป็นอันว่าเราก็พิจารณาตามเนื้อหาสาระก็ใช่เมื่อพระสงฆ์ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราก็ได้ดูแลรักษาท่านเมื่อท่านหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถ้าว่าท่านยังไม่พ้นทุกข์อ่างนั้นเถอะท่านเียบ เส้นแดงเลยเกือบตายมาแล้วอย่างนี้ท่านก็ต้องเล่งภาวนาของท่านนะอบางทีท่านอาจจะได้มักได้ผลแต่พวกเราที่ได้รักษาสุขภาพร่างกายของท่านเราก็ได้บุญได้กุศลจากท่านนะหลว่าพระองค์ในีเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพระน้อยพระนมอะไรก็ตามเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเรารักษาเมื่อท่านออกมาแล้วท่านมารักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองประกาศพระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะ ให้แก่ปวงประชาล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแล้วกับพี่น้องประชาชนเก็บไข้ได้ป่วยหายจากโครคภัยไข้เจ็บแล้วออกมาปฏิบัติพ่อแม่ของตนเองทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองต้องเป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่ามันก็เป็นบางคนอีกเหมือนกันเลยถ้าคิดมุมกลับอีกมุมหนึ่งห่งถ้าเรารักษาให้ไปออกมาแล้วยิ่งเป็นขโมยยิ่งเป็นโจรผู้ร้ายยิ่งทําชั่วช้าเสียหาย อันนั้นเราไม่รับรู้ว่ากันแต่นะพวกเรารักษาออกมาแล้วเราไม่รับรู้พวกเรารับรู้แต่ว่าเราจะรับแต่คุณงามความดีของเขาแต่ผู้ใดก็าตามถ้าทํากล้มดีแล้วเราจะรับเอาจากบุญกุศลจากคนคนนั้นถ้่พราว่าเรารักษาหายแล้วกลับไปทําความชั่วชาติเสียหายต่อประเทศชาติปานเมืองเราไม่รับรู้ว่ากันเราไม่เอาด้วยจุดนั้นว่ากันแต่เป็นมอบให้เขาไปซะอันนั้น แต่สิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลเออพวกเราก็เนี่พยพอได้บุญได้กุศลจากเขาไปด้วยเพราะเรารักษาสุขภาพของเขาแต่ฝ่ายพระสงฆ์นี่ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นโรงพยาบาลก็ดีโรงเรียนก็ดีจึงได้ทุ่มเทลงไปแล้วก็ไม่แพ้ไม่ทิ้งเหมือนกันวัดวาศาสานาวัดวาศาสานาพระสงฆ์องค์เจรซาลงซาลาทีพักพาอาศัยที่เป็นปัจจัยสี่ของพระสงฆ์ อันนี้เราก็ช่วยสงเคราะห์นุเคราะห์ไปตามอัตภาพนะอันนี้คือเป็นการทำทานเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสรุปแล้วก็คือทานศีลส่วนภาวนานะเป็นหน้าที่ของพวกเรานะทีนี้จะทำยังไงจิตใจจึงจะสงบจิตใจจึงจะเป็นหนึ่งได้จิตใจจะไม่ปุ่งฟุ้งซ่านจนเกินไปจะทำจิตใจยังไงจึงจะรู้แจ้งเห็นจริง เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะทำยังไงจิตใจของเราจึงจะเบื่อหน่ายคลายจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารมันเป็นมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาเหมือนกันนะถ้าว่าเรามีอ น, นิสงทานอ น, นิสงศีลเกือ้อกูลหนุนมาแล้วเวลาเรานั่งภาวนาจิตใจของเราก็เยือกเย็นสงบสุขเพราะเหตุใดเพราะคุณงามความดีเหล่านั้นเกือ้อกูลหนุนอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบาเพ็ญมาสี่อสงไข กำไรแสนมหากราบอย่างนี้ต้วนแล้วจะมีทานมีศีลมีภาวนาตามลำดับลาดั บ, บพอสุดยอดมาท่านก็ได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะอนิสง์ทั้งหลายที่ทำมาหลายภพหลายชาตินะนั้นเกื้อกูลหนุนนี้ก็เหมือนกันน่ะพวกเราทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยๆจนถึงวันอีกสักวันหนึ่งนะ่นะพวกเราก็จะภาวนาดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เบื่อนายสลัด กิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจจิตใจของเราบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นจิตใจเป็นธรรมธาตุนิพพานนิพพานังปรามังสุขังนิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงคือไม่เปลี่ยนแปลงแปรผันไปที่อื่นนิพพานธรรมธาตุจิตใจที่เป็นธรรมธาตุธาตุที่เป็นธรรมไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นแหละมันเกือกูลหนุนกันมาจนถึงสุดท้ายปลายแดงก็คือ ความบริสุทธิ์หลุดพ้นแต่ถ้าว่าเรายัางเวียนว่ายตายเกิดอยู่ อ, นนอันนี้สงสานอนนี้สงสีนกเกลือกูลหนุนเราเมื่อก็เราเดินทางอย่างนั้นยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราเดินทางไปอยู่เราก็มีร่มมีรองเท้ามีเครื่องกันร้อนกันหนาวกันแดดกันลมแล้วเราไปที่ไหนเราก็สะดวกสบายถ้าเพอเพอเราอาจจะนั่งรถนัง่งเรือเครื่องบินไปแต่ถ้าว่าคนไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลในสิ่ง อำนวยความสะดวกเหล่านั้นก็ไม่มีเห็นไหมว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วบุญกุศลนั้นเป็นเครื่องเครือกคุหนุนอํานวยความสะดวกให้เราเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัยนั่นแหะเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญบุญกุศลเนะ้อชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่รู้จะยืนนานไปสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อายุของเราเท่าไหร่แล้วผู้ลมหายตายจากไปกับอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น อย่างหลวงพ่อเนี่เหมือนกันหลวงพ่ออินเนี่ยเดี๋ยวนี้โผล่ขึ้นไปเรื่อยๆเทั้งทั้งบนก็ร่นลงมาเรื่อยๆหลวงพ่อทูลก็ไปแล้วหลวงปู่เพียนก็ไปแล้วหลวงปู่อ่อนสาก็ไปแล้วไม่รู้องค์ไหนขยับลงมาหลวงพ่อก็โผล่ขึ้นต่อไปกับหลวงพ่อเองต่อไปก็ไล่ลงไปเรื่อยๆถึงลูกถึงหลานถึงญาติถึงโยมไปเรื่อยเพราะชีวิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ถึงยังไงก็ถ้าบุญกุศล ถ้างเงินเต็มกระเป๋าแล้วจะไปที่ไหนก็ไปเถิดท่านนี่ถ้าจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วตายที่ไหนก็ตายไม่กลัวทางนั้นแต่ถ้าว่าจิตใจของเรายังไม่พ้นทุกข์ในวัตฏะสงสารเนี่ยพวกเราให้ขนขวายนะให้ภาวนาแต่ละวันอย่าไปคิดออกไปนอกหลู่นอกทางเกินไปให้ภาวนาภาวนาเนี่ยเป็นจุดสาคัญอย่างมากในหลักของพระพุทธศาสนา ทำจิตใจให้สงบไปอยู่นักที่ใดให้มีสติให้มีสติสัมปะชัญญะนั่งอยู่ที่ใดให้มีสติสัมปะชัญญะนั่งภาวนาพุทโธพุทโธหรือไม่พุทโธก็ได้ให้มีสติจากนั้นกับบริกรรมจากนั้นกับพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารผู้่าเนี่เกิดมาแล้วอีกไม่รู้จะ ก, กี่ปีนอคนอื่นเขาก็ตายไปให้เห็นต่อหน้าต่อตาได้ไปมาติกาบังสกุลได้ไปส่ง วางดอกไม้จัน์ไม่รู้ว่ากี่คนติด ก, กี่คนแต่อีกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าเขาคงจะมาวางดอกไม้จันทรข้าเหมือนกันกับเราไปวางกับของเขานี่ยแหะแต่เราเพียงพอหรือยังบุญกุศลเป็นที่อุ่นใจหรือยังคุณงามความดีของเราเป็นที่อุ่นใจหรือยังอันนี้ให้พวกเราถามตนเองว่าอยู่เสมอแต่พวกเรามีความตั้งใจมีความพยายามถามตนเองอยู่อย่างนั้นเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเอง เราก็สั่งสมเก็บบุญกุศลเข้าทีละน้อยละน้อยละน้อยอผลที่สุดจิตใจของเราก็แน่นเปิกเลยทีนี้ด้วยอัดด้วยทำด้วยศินด้วยทำเชื่อมั่นในตนเองเออพอแล้วไปละทีนี้มันต้องมั่นใจถึงขนาดนั้นนะให้พวกเราควรจะสั่งสมบุญกุศลให้ลักษณะอย่างนั้นตรงพ่อว่ามันจึงจะถูกไม่ใช่ว่าอยู่เป็นวันวันเดือนเดือปีๆคอยวันเอสิ้นลมเฉยๆเนี่ยตรงพ่อว่าไม่ถูกนะพวกเรานอะ เ ก, เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเกิดมาได้พบพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้ศึกษาและให้ปฏิบัติ ด, ดูเอ่อพอในสุดเน่ยเมื่อปฏิบัติ ด, ดูแล้วนั่นแหละเราจะเดินไปสู่จิตสงบเออจิตใจของเราสงบเลยนักที่สันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราสงบเลี่มันมีความสุขจริงๆนะเออมีความสุข มันไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยมันวางมันนิ่งมันสบายมันเอามันรู้จักมันรู้เท่ารู้ทานไม่ใช่ปล่อยวางไม่เอาไหนไม่ใช่อย่างนั้นนะเอามันยิ่งมีปัญญารอบขอบอันไหนควรจะทํายังไงอันไหนควรจะปฏิบัติยังไงอันไหนควรมัธยัสอย่างไงอันไหนควรจะแก้ไขปรับปรุงแก้ไขยังไงมันรู้ในตัวของมันหมดเอามนรู้จักปล่อยมันรู้จักกวางเอามันไม่สารบนวุ่นวายแบบนั้นเถอะถ้าเราไม่ เคยทำจิตใจให้สงบมันวุ่นวายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันจุนจ้านไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง เ, เพราะนั้นให้พวกเราศึกษาเน้อเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาต่อนนี้ไปรับพรในต่นี้นะอำนมโมทนาให้พร